มิทเทียมได้แก่ศัตรูผู้มาในร่างมิรมีสี่จำพวกคือคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางฉิบหายคนปอกลอกมีลักษณะสี่อย่างหนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก สมเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรีบทำกิจของเพื่อนสี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวคนดีแต่พูดมีลักษณะสีอย่างหนึ่งเก็บเอาของล่วงแล้วมาปรสาสัยสองอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปรสาสัยสสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้สี่ออกปากพึ่งมิได้ คนหัวประจบมีลักษณะสีอย่างหนึ่งจะทำชั่วก็คล้อยตามสองจะทำดีก็คล้อยตามสามต่อหน้าสรรเสริญสี่ลับหลังนินทาคนชักชวนในทางชิบหายมีลักษณะสีอย่างหนึ่งชักชวนดื่มน้ำเมาสองชักชวนเที่ยวกลางคืนสามชักชวนให้มัวเมาในการเล่น สี่ชักชวนเล่นการพนัน